3.17. วิธีแก้ความเบื่อตัวเองเวลาเราภาวนาถูกต้องเราเห็นเลยขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราตัวเราเกิดจากขันมันมารวมกันพะขันมันกระจายออกแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่ละตัวเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราท่านถึงบอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์แต่เพราะว่าเราไปรู้ใจเราไปเบื่อมันตรงนี้เพราเปริญญาเรายังไม่พอแต่ว่าเพราะเราฉลาดขึ้นมาระดับหนึ่งนะเราถึงเบื่อมันให้เราตามดูต่อไปอีก ให้รู้ทันความเบื่อใจเป็นกลางเราก็ดูไปเอขันมันทํางานของมันเองแล้วเราไปเบื่อมันทําไมล่ะยกตัวอย่างหลวงพ่อเคยดูนะร่างกายมีแต่ทุกข์มีภาระมากตื่นเช้าขึ้นมาต้องปรนิบัติมันมากมายต้องไปทํางานมากมายไปซื้อข้าวให้มันกินรู้สึกมันเป็นภาระรู้สึกไหมพอดูไปดูมามันโง่นี่หว่าเรานี่ยร่างกายต่างหากล่ะมันอาบน้ําให้ตัวเอง ร่างกายมันไปทํางานได้เงินมานะมันซื้อข้าวกินมันก็เดินไปซื้อของมันเองมันเคี้ยวข้าวมันก็เคี้ยวเองเราไปเบื่อแทนมันนะจริงๆร่างกายมันทํางานเองเราต่างหากล่ะหลงไปสําคัญมั่นหมายผูกพันกับมันแล้วไปเบื่อแทนมันมันไม่เห็นบ่นเลยให้มันกินมันก็กินมันอุตส่าห์หาเงินไปซื้อมันก็ทํางานของมันนะเราไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้เอาจิตไปทํางานแล้วได้สตางค์มาเมื่อไหร่ล่ะนี่เป็นเส้นทางที่พระอริยะเจ้าเดินมา ทุกองเดินอย่างนี้รู้ลงมาที่กายที่ใจจนเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะมันทํางานได้เองแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นอย่างนี้จนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งไม่เบื่อแล้วคราวนี้เบื่อทําไมมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนเห็นคนอื่นไม่สบายเราจะต้องไปกลุ่มใจทําไม